เมื่อวานนะเราพูดถึงหลักการและเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเราจึงใช้วิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วเราก็ไปทดสอบทดลองดูว่าส่วนใหญ่เข้าใจได้นะทีนี้เมื่อเช้านี้เราสวดถึงหมดเรื่องไอเดียบทยากและบทย่อยรวมกันเมื่อวานเย็นเราสวดเรื่องระบบลมหายใจ เนันเราจะใช้สามหมวดนี่หลักๆนะคื อ, อทั้งใช้ลมหายใจอบทใหญ่บดย่อยรวมกันเลยโดยที่ไม่เน้นอันึ่งสามอย่างนะี่ยผสมปรสานกันแต่ที่นี้บางคนเมื่อคอที่แล้วบางคนบอกว่าสร้างจังหวะไปด้วยแล้วก็ให้มันซิคโครไนส์กับลมหายใจคือตีคู่กันไปมาใช้ได้ไหมบอกว่าใช้ได้แต่ไม่ถูก บางคนก็ว่าเคลื่อนไหวไปแล้วก็บริกรรมไปแบบพุดโธหรือสํลัหังใช้ได้ไหยใช้ได้แต่ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าไปให้น้ําหนักฝ่ายรูปมากเกินไปเพราะนั้นส่วนที่น่าจะทําคู่กันไปได้ก็คือความรู้สึกการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยมันเป็นรูปที่ยากใช่ไหมถ้าเราไปเอาลมหายใจใบริกรรมมันก็เป็นรูปอีก เพราะเราควรจะใช้เครื่องรูปเครื่องนามคือใช้รีคู่ไปกับกัรดูเวทนาเวทนาทางกายเนี่ยขณะที่เรายกเนี่ยเราสังเกตเวทนาทางกายไปด้วยเราจะเห็นว่าในขณะยกเวทนาทางกายเราเป็นอย่างกปรับกําหนดรูปทั้งสองอย่างเลยเข้าไปกายการเคลื่อนไหวของกายเป็นรูปล้วนๆแต่เวทนาเป็นทั้งรูปทั้งนามคือมันรู้สึก ได้ถึงความเจ็บปวดที่มัน <c oughs> สปีดขึ้นและลดลงปีดขึ้นและลดลงตามจังหวะที่เราเปลี่ยนแล้วก็การเคลื่อนไหวของมือนี้ดังได้กล่าวแล้วว่าเปิดสื่อเลดา่าที่ตัวซูมที่คอยโฟกัสให้เห็นสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ชัดเสมอเพราะอย่าลืมว่าในการเจริญสตินี่เราไม่ต้องการความสงบที่ไม่มีปัญญา แต่เราต้องการความสงบที่ประกอบด้วยการตื่น ร, รู้เบิกบานต่างหากที่เป็น <c oughs> เป็นวิปัสนาแต่ถ้าเป็นความสงบจากอารมณ์เป็นความสงบแบบสมถะซึ่งไม่ได้ตามด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นสมถดะจึงนําไปสูม่มรรคผลนิพพานไม่ได้ไปสู่แค่พรมหรือสงบสูงสุดแต่ในส่วนที่วิปัสนานําไปสูม่มรรคผลนิพพานได้เพราะประกอบด้วยภาวะตื่นรู้เบิกบานซึ่งเป็นเหตุใกล้ ไม่เข้าได้ดีเป็นเหตุก้ให้เกิดตัวยานปัญญาะฉะนั้นเองเราต้องการจุดนั้นคือต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนชอบการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นอะไรไปก็ว่านิดชินนิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงยากเหลือเกินเหตุไครเงื่อนไขมันไม่เอื้อเมื่อกันเราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแตลอเวลานี่เราเบื่อง่ายเพราะว่าถ้าซ้ําซากแต่ของเก่าเราจะเบื่ง่าย นะแต่พอมาเจริญวิปัสนาเนี่ยเรายกระดับการเปลี่ยนแปลงที่จากการเปลี่ยนแปลงต่อการตอบสนองต่อตันหาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่ อ, อยานปัญญานั้นหมายความว่าแทนที่เราจะไปตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อยากจะได้รูปใหม่ๆรสใหม่ๆเสียงใหม่ๆกลิ่นใหม่ๆ สัมผัสใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงหามาเรื่อยๆนั้นซึ่งมันต้องลงทุงทั้งชีวิตเลยกูจะได้สิ่งนั้นมาตอบสนองตาหาของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่ามันเหนื่อยๆทั้งชีวิตแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงชี้นัมันไม่เคยจ บ, จบสิ้นเพราะมันการเปลี่ยนแปลงของไตรลักษณ์ดังนั้นเรามานี่เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของไตรสิกขา ไม่ใช่แต่รักตัวไตรสิขาจะไปแก้กุฏของไตรลักษณ์ไตรสิขาในชาวพุทธทุกคนรู้จักใช่ไม้มมีอะไรบ้างสีนสมาิปัญญาไตรสิขา <c oughs> สีไรสิขาจิตไรสิขาและปัญญาสิขาเรียกว่าไตรสิขาสามตัวนี้จะไปแก้กุฏของไตรลักษณ์ได้สีนสมาิปัญญาเกิดจากตัวอะไรเป็นกําเนิดของมันอะไรเป็นแม่ของสีนสมาิปัญญา อ่าสติปัฏฐานสี่เป็นแม่ของสีสวดิปัญญาเพราะนั้นจเจริญสติอย่างเดียวได้สีสวดิปัญญาครบไปเลยแล้วแก้ไตรลักษณ์ได้ด้วยทีนี้จะแก้ได้อย่างไรในขณะที่เราทําเนี่ยถ้าเรามีสติต้องเป็นสัมมาสติด้วยนะไม่ใช่สติธรรมดาระหว่างสัมมาสติกับมิฉาสติต่างกันอย่างไรถ้าเป็นมิฉาสติคือสติที่ผิดนั้นไม่ประกบรอบด้วยก า, ายเวทนาจิตธรรม แต่ถ้าเป็นสัมมาสติแล้วต้องประกอบด้วยการเลลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมในสีฐานนี้เท่านั้นแต่ถ้าลื่ลึ ก, ลกรู้เลลึกรู้นอกจากสีฐานนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสติเพราะนั้นที่เราทํานี้เราเลึกรู้ในฐานอะไรฐานกายใช่ไหมฐานกายตรงนี้เราถือเอาลมหายใจการเคลื่อนไหวใ้บทใหญ่การเคลื่อนไหวหยยคืหวหอก็มามาป ร, ระสานกันผสมประสานกันในอัตราส่วนที่พอดี ไม่เราไม่เน้นเรื่องลุ่มโดยเฉพาะไม่เน้นเรื่องการเดินการนั่งโดยเฉพาะไม่เน้นการดูดีบทเย่อยโดยเฉพาะแต่ผาสานกันตามเหตุปัจจัยของการเคลื่อนไหวนะคือหมายความว่าไม่ให้การเคลื่อนไหวของไตรลักษณ์มาชักชูงไปสู่อำนาจของมันแต่เราจะใช้การเคลื่อนไหวของไตรสิขาเข้ามาแปลเปลี่ยนกฎของไตรลักษ์นั้นเป็นตัวรู้ตื่นเบิกบาน สัพเทคนิคเยอ ะ, อะตามทันไหมฉะนั้นเวลาเข้าสู่ภาวะการปฏิบัตินั้นเราก็จะต้องเตรียมสัมมาสติไว้เสมอคอยระลึกรู้ว่าขณะนี้ฐานกายเราทำอะไรอยู่ฐานกายมีการเคลื่อนไหวอยู่การเคลื่อนไหวกี่ส่วนส่วนที่เป็นกายอยากคือการ อยกมือนี้เป็นส่วนที่เป็นสัมผัสย่าปัพปะใช่ไหมในขณะเดียวกันก็เราใช้กับรีบทหลักคือรีบทอะไรขณะนี้เราใช้รีบทไหนรีบทหลักนั่งใช่ไหมในขณะนั่งเราใช้รีบทย่อยคือการเคลื่อนไหวมืออ่าในขณะเคลื่อนไหวมือแล้วถ้าหากว่ามีสัมผัสยเกิดร่วมเรารับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของลมหายใจการรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงของกาย นีที่ว่าไป็นสมุนสารเพราะฉะนั้นตัวสติที่สัมมาสติเนี่ยเมื่อเขามารับรู้ต่อการเกิดไว้ถ้าหยาบกลางละเอียดร่วมกันไปเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดตัวสัมปชัญญะและตัวสัมปชัญญะนี่เองที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญานะดังนั้นเรื่องที่เราจะชี้จุดนี้เข้าไปองค์ประกอบมันเยอะมากแต่ว่ามันเกินจําเป็นแต่ว่าจะเจาะเฉพาะที่เราจะนําไปใช้ได้ นั่นเองณนะวันนี้เราก็มาถึงประเด็นที่ว่าเมื่อเรารับหลักการในเหตุผลว่าเราจะใช้หลักของการเคลื่อนไหวมาเป็นตัวอุปกรณ์ในการที่จะดำเนินไปสู่วิปัสนาที่ใ น, นเมื่อการเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างการเคลื่อนไหวของอีบุตสีอีบุตรย่อยและการเคลื่อนไหวของลมหายใจนะ แล้วมาเพิ่มประเด็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าการเคลื่อนไหวนี้ไปสร้างเกินเคลื่อนไหวใหม่ขึ้นมาตีคู่เช่นยกมือไปด้วยกำหนด ล, ลมหายใจไปด้วยยกมือไปด้วยแล้วก็บริกรรมอะไรบางอย่างไปด้วยอันนี้เกินจาเป็นแต่เราจะเอาตัวการรู้เวทนาเข้ามาเป็นคู่เพราะได้กล่าวแล้วว่าเวทนาเป็นได้ทั้งรูปและทั้งนามเพราะนั้ทธกตามรู้เวทนาและการเคลื่อนไหวทางกาย ในส่วนนบทหลักนบทย่อยและเวทนาเข้าไปด้วยก็จะนําไปสู่ตัวสมัมมชยพอดีคือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวและทั้งเวทนาทางกายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนอย่างนี้ภาวะการหลับไหลการลืมหรือการง่วงจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าทําถูกต้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเคลื่อนไหวตัวหลัก ถ้ามันคอยกระตุ้นการตื่นตัวใช่ไหมแต่ถ้าหากนั่งหลับตานี่ยหมายความว่า <c oughs> การเคลื่อนไหวหลักและการนิบบทย่อยไม่สมบูรณ์แล้วภาวะง่วงหลักจึงเกิดขึ้นและวิธีการนี้เราเน้นการหลับตาหรือลืมตาถ้าหลับตานั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องแล้วแล้วจะบอกว่าเอ๊ะทาไมมันง่วงก็เพราะเราคุณทําไม่ถูกมันก็ง่วงไงแต่ถ้าง่วถ้าออ่ทําไม่ถูกมันก็จะนําไปสู่ตัวนิวรอนตัวต่างๆแต่ทําถูกแล้ว ก็คือหลักการในช่วงที่เรายังไม่ตื่นตัวเต็มที่ใหญ่เสียงหลับตาเพราะเราตาเราไปเลยนะเพราะมันเป็นภาวะที่ความตื่นรู้เบิกบานของเรายังไม่แข็งแรงเพราะงั้นเราต้องเปิดอินทรีย์ทุกส่วนให้ชัดเจนเีก่อนนะแล้วถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องสำรวจทั้งหมดทั้งลมหายใจให้ชัดการเคลื่อนไหวหสำรวจดูเยียบทตรอ่า เพราะฉะนั้นหลักของไตรลักษณ์นั้นจะเป็นเหตุถ้าบริหารมันไม่ดีจะเป็นเหตุให้เกิดนิวร์ตัวต่างๆ <c oughs> ได้กล่าลวเรียกว่าไตรลักษณ์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอั น, น, อ น, นิจังทูกขังอนาตาใช่ไหมเมื่อวานบอกว่าตัวไตรตัวนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ย จริงๆมันก็คือไปจากกฎอานิจังทุกข์เขาหน้าตาเองกัมเรศของมันลิงตางกว้างๆดับตาลงไม่ได้คุณดับตาเท่าไรแล้วคุณทำท่าจากสงังอกสังเฆทุทีเลยนะ่ะเข้นแข็งหน่อยนะมองหน้าหลวงพ่อไว้เพราะฉะนั้นกฎของอานิจังเราต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่ต้องการการซ้ำซากเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองต่อความอยาก เพราะนั้นอ น, นิจจังก็ให้เกิดตัวก a r m ฉันทะแต่เมื่อกามะฉันทะไม่ถูกตอบสนองคือความอยากไม่ถูกตอบสนองเกิดทุกขังอนิจจังทุกขังแล้ใช่ไหมให้เกิดทุกขังเมื่อทุกขังเราไม่ชัดทั้งอ น, นิจทั้งความกามะฉันทะคือความรักสบายก็ไม่ชัด มาเกิดความมุ่งหงิดก็ไม่ชัดทั้งสองอย่างก่อให้เกิดตัวอนัตตาและตัวอนาัตตาก็คืออีกสามตัวพ่วงมาเลยคืออะไรความงุ่งหง่อนนอนความฟุ้งซ่านและความรังเลสงสัยสมตัวที่เกิดจากดาเรียกว่าโมหะเพราะนั้นราคะโทสะโมหะก็เกิดมาจากตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาและตัวอนิจจังรุกของอนัตตก็ไปสร้าง นี่อ่อนทั้ง5้านั่นเองมันพัวพันกันหมดเลยอ่าพัวพันกันหมดเลยทีนี้ไอ้สามตัวเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยตัวการมาฉันทาก็ดีไตรลักก็ดีตัวอักุุลทั้งสามราคาโทสามมหาหก็ดีเราจะไปจับจุดอ่อนมันตรงไหนหาให้กว้างให้เต็มที่เลยให้สาใจเลยจะได้หายง่วงสามกลุ่มเนี่ย ไม่ว่าความรักสบายความหมูดหงิดงวงเหงาห้องนอนฟุ้งซ่านและก็ความรังเลยสงสัยเนี่ยที่เป็นนิวรนคอยรบกวนตลอดเวลาเนี่ยหรือเราต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามใจทำอย่างไรนี่จุดอ่อนของสามกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนตัว น, นี้เป็นวันที่สองเมื่อวานที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้การมัฉันทะเกิดจากความรู้สึกเป็นไง ต้องการความรู้สึกที่สบายใช่ไหมเรียกว่าสุขะเวทนาอ่าตรงนี้ให้ดีนะตัวความรักสบายรวมติดความสบายที่ก่อให้เกิดปจัจจัยต่างๆที่พัฒนามาเป็นตัวนันทิเพลินในความสบายเรียกว่านันที่และความสบายนี้ฉันต้องการความสบายเพียงแค่นี้ไม่ต้องการมากกว่านี้พูดอย่างนี้ได้ไหม ต้องการสบายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้สิ่งที่ฉันไม่ต้องการเลยคือความไม่สบายเห็นไหมคือเมื่อเราต้องการจะเพิ่มเติมลงความสบายให้มากที่สุดจากนั้นทิเพลินไปอีกก็เป็นเพิ่มความสบายให้มากขึ้นเป็นนันทิราคาอ่านันทิราคาก็เพิ่มขึ้ไปอีกก็เป็นการมาชันทะที่ได้กล่าวไปวันก่อนการมาชันทะจึงพัฒนามาจากสุขุนา นันทินันทาราคาแล้วก็กลายเป็นกามฉันดับเทคนิคเท่นั้นแหละไม่ต้องไปจาก็ได้คือหมายความว่าความรักสบายกอให้เกิดความเพลินความเพลินถอ้เกิดต้องการจำนวนมากๆต้องการจำนวนมากก็ไปยึดติดแล้วก็ไปชอบมันเข้าอันนี้เป็นภาษาดังนะนั้นที่เราจะมาจับจุดอ่อนมันคือสุขเวทนาถ้าได้มีสติ เข้าไปตามรู้ถึงสุขเวทนานี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วไปเสวยมันพอประมาณอย่าไปจมอย่าไปแช่อย่าไปอยากอย่าไปยึดในตัวสุขเวทนานี้พร้อมที่จะเคลียร์มันออกไปเพราะถ้าไม่รีบเคลียร์มันออกไปไอ้สุขเวทนานี้ก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นคือความไม่สบายก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นความไม่สบายคือความปดวดตอนแรกมันเออพิกไปนิ่เดีกวก็นึกว่าสบายใช่ไหมพอนั่งไปสักพักเป็นไง ก็เริ่มตึงเริ่มปวดเริ่มเมื่อยตาที่มันตื่นเมื่อกี้ก็ล่มปลือใช่ไหมอันนี้เห็นไหมคือมันมันเป็นกฎของอนิจจังเห็นชัดๆเลยแล้วกฎอนิจจังอันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเรียวกว่ากฎของไตรลักณแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาเรียวกว่ากฎของไตรสีขาการเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาเรียวกว่าการสร้างสตินั่นเองคือตามรู้ตามรู้ว่าเงื่อนไขตรงนี้จะไปยังไง ดังนั้นตัวอนิจจังก่ให้เกิดตัวสุขเวทนาจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามถ้าโดยไม่เจตนานั้นมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์มันก็ทําได้เช่นนกกาอยู่ที่ทําไมผมไม่ไม่เกาะอยู่นานๆสุนัขแมนอนอยู่กัที่ทำไมไม่นอนตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวมก็ลุกไปนั้นเดี๋ยวมก็ลุกวันนี้เพราะมันต้องการอะไรเหมือไหร่ต้องการบําบัดทุกคนกันนอนนานๆก็เบื่อก็เมื่อยเหมือนกันนะมันก็บำบัดของมันเอง แต่สําหรับผู้เป็นมนุษย์นั้นต้องไปสูงกว่านั้นเพราะการบำบัดเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาต้องมีการเรียนรู้ในเวทนานั้นโดยที่ไม่ตกเป็นอำนาจของสัญชตาตญาณฝ่ายเดียวต้องพัฒนาตัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกฎของตรลักษณ์อนิจจังทุกขาให้เป็นตัวสัมมาสติ น่ะทันไหมทันนะพยายามก็แล้วกันอันไหนที่เป็นภาษาเทคนิคก็จะพยายามตีเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ดังนั้นในตัวที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือต้องการสบายนะต้องการความสบายแต่เมื่อรู้ตามรู้กฎของความสบายก็เป็นอ น, นิจังมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่สบายคือทุกเขเวทนา ทีนี้มาดูตัวไหนๆก็ลงลงในแง่ของอ่าเรื่องความสบายแล้วแต่มันพัฒนาห้องไปตามสายยังไงว่าตัวความรู้สึกสบายที่เราต้องการเนี่ยพัฒนาเป็นตัวเพลิดเพลินใช่ไหมเล่นอะไรตามสนุกสนานเราเพลเพินแล้วทีเนี้เพลินในเล่นเกมทั้งวันเล่นการพนันทั้งวันเล่นได้ทั้งวันมั น, ม, นมันเพลินอันนั้นคือก่อให้เกิดสุขเวทนาใชนั่งเล่นไพ่สาวันสี่คืนเนี่ยไม่ไปไหนก็ได้ มันเพลินตัวนั้นเพลินแล้วต้องการอะไรต้องการความชนะและต้องการจำนวนเงินที่ต้องก า, าการเพราะนั้นการพนันจึงผุดขึ้นทั่วโลกเพราะตอบสนองต่อสุขเวทนาตอบสนองต่อความพอใจมันจึงเกิดได้ง่ายมากโดยเฉพาะที่เมืองไทยใช่ไหมถึงไม่เป็นไม่บ่อนคาสิโนโดยทางการแต่ก็มีเยอะกว่าคาสิโนทั่วโลกสิีกเปิดได้ทั่วแห่งแม้แต่ หวยออนไลน์แม้แต่หุ้นก็ยังกลายเป็นหวยได้ใช่ไหมทุกหย่อมหญาเพราะตอบสนองตอบสุขุพัฒนาที่พัฒนามาเป็นตัวราคะราคะพัฒนามาเป็นตัวความอยากความใคร่เป็นการมฉันทะกามฉันทะเราก็ยังไม่เจริญวิปัสนาให้รู้อีกทันอีกกามฉันทะก็เปลี่ยนแปลงเป็นกาลมตัหา มาถึงการมาตัญหาเรื่องความใคร่อยากจํานวนมากๆขึ้นไปแรงขึ้นเรื่อยๆกําลังต้องการไขว่คว้าหาสิ่งทั้งหลายที่มาตอบสนองที่มีราคามากขึ้นเรื่อยๆการมาตัญหาก็กลายเป็นการมุ่งปาทานคือเข้าไปยึดในสิ่งที่เราได้มาแล้วว่าเป็นเราเป็นของเราเราได้สามีมาก็ไม่อยากให้สามีเป็นของคนอื่นใช่ไหมเราได้ภรรยามาก็ไม่อยากภรรยาเป็นของคนอื่น เราได้ทรัพย์สินก้อนนี้มาก็ไม่อยากให้มันตกเป็นของคนอื่นเราได้ของรักของชอบใจมาก็ไม่อยากให้คนอื่นมาครองรมารักมาขโมยมาแยง่งมาชิงมาปล้นหรือมาเป็นเจ้าของร่วมใช่ไหมเราต้องการเป็นเจ้าคนด้วยว่าเป็นการมมุปาทานและกรมุปาทานก็มองตาหลวงพ่อดีๆเพ้อ <c oughs> ไม่ได้เลยเพ้รจระเข้าตาอยู่เลยนะอและตัวการมมุปาทานก็พัฒนานเราเป็น โลภะใช่ไหมโลภะโลภะก็พัฒนา ม, มาเป็นโลภานุใสลาภานุใสลาภานุใสหรือลาคานุใสก็พัฒนา ม, มาเป็นตัวภาวะเป็นกิเลธี่ละเอียดที่สุดดูสายของมันเริ่มตั้งแต่ไหนสุขเวรนามาเป็นนันทิความเริน ความเพลินอยากจะเพลินไปยิ่งยกว่านั้นเป็นนันทิราคะอยากจะเสพให้มากกว่านั้นเป็นกามมาฉันทะการ ม, มาฉันทะเราก็ยังไม่ตรนรู้อีกกา ม, มาเป็นตัวกา ม, มาตัญหากา ม, มาตัญหาล้วก็ยังไม่มีการเจริญวิปัสนาอีกกา ม, มาตัญหาวิปัสนาเป็นกามุ ป, ปาทาน กาโมปทานก็พัฒนาเป็นตัวโลภะเพราะฉะนั้นตัวโลภะมันขึ้นมาได้มันพัฒนาสายมาตั้งแต่สุกอริธนาดัาะะนั้นเราจัดการต่อสุกเวทนาได้ชัดเจนตัวเดียวมันโลดออกทางสายเลยวงจรของมันตั้งแต่กิเลสหยาบหลังและกิริยาบคือราคะโทสะโมหะนะราคะพัฒนามาจากตัวนี้ดั้งนั้นเราจะเห็นว่าโลกทั้งโลกตกอยู่ในอำนาจอันนี้ทั้งนั้นเลยณนะวันนี้เรามี บางเก่งกล้าสามารถอย่างไงที่มาต่อ ก, ก่อนกับอตัวนี้นะก็เขาเร่ามวดแดงก็ยังฆ่าช้างได้ใช่ไหมเอ อ, อเราเป็นมวดแดงเนะี่ยตัวรู้สึกตัวน้อยๆเนียน่ ย, ยสามารถฆ่ากิเลสได้ั้โคตรทั้งเงาเลยได้ตัวแสงสว่างน้อยๆสามารถทําลายความมืดในทําดินียนแสนปีได้อย่างที่กล่ม า, มาวมาเมื่อวานใช่ไหมแต่ทําให้ถูกเท่านั้นเองทําให้ถูกนะ การนั้นในสุขเวทนาจึงเป็นสาเหตุของ <c oughs> พบชาติทั้งหลายทั้งปวงมาดูทางสายว่าสุขเวทนาตัวนี้ถ้ามีมิจฉาสติเข้าไปพัฒนาหรือสัมมาสติเป็นบางส่วนสุขเวทนาตัวนี้ก็ก็ให้เกิดเวลาปฏิบัติเป็นนานๆชู น, นั่งสมาธิเป็นนานๆใช่ไหมอันนี้ว่าเว็นทางฝ่ายนามมาทำบ้างนะเมื่อกี้ฝ่ายลูกกรทำมันจะออกมาเป็นภาวะ ากามาสวะไม่ใช่ภาวนาสวะเปการมาสวะโดยสุดท้ายปเปละเอียดที่สุดทีนี้พอเราเบื่อต่อวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอว่ามันไอ้สุขเวนามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดความเบื่อหน่ายออกมาแ ส, สวงหาทางด้านตัวสมถะและมีปริศนาบ้างแสวงหาความสุขทางใจบ้างเราก็ออกมาแบบเจ้าชายชีเดชั่เนีน่ยหรือแบบอ นักสื่อญหาทั่วไปเราก็ไปนั่งสมาธิที่นีนั่งสมาธิในรูปแบบต่างๆนั่งไปนั่งมาเกิดความเบาสบายเกิดปีติปีติเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาใช่ไห ม, มเกิดปีติเมื่อเกิดปิติแล้วปีติก็เป็นหลายชั้นปีติในชานขั้นที่หนึ่งปีติในชานขั้นที่สองปีติในขั้นปีติดี วิตกวิจารณ์ปิติสูเอกคต า, าปิติในฌานขั้นที่หนึ่งปิติในฌานขั้นที่สองปิติในฌานขั้นที่สปิติในฌ า, า, านเสบเรื่อยๆไปเรื่อยๆปิติตัวนี้ก็จะทําให้เกิดตัวสมาธิขั้นสูงและสมาธิเราก็ไปเสพติดในสมาธิเสพติดความสงบใช่ไหมและความสงบที่ก็แบ่งไปเป็นสิบหกขั้น เ, เรียกพรมสิบหกคือได้ยังไพรมสิบหขั้นก็คือความชั้นของความสงบที่เป็นชั้นเป็นชั้นนั่นเอง ถึงสิบหกขั้นเราก็ไปเสพในที่สุดพอไปเสพตัวสมาธิตั้งแต่หยาบกลางเรียบขึ้นไปสูงสุดเป็นพรมอ่าเป็นพรมเป็นถึงมหาพรมเลยทีเดียวไปติดอยู่แค่นั้นนั่นคือดําเนินไปจากกรรมฐานที่ไปติดสุขเวทนาตามลำดับติดสุขเวทนาเราไปติดใส่ปี ต, ป ต, ติแล้วไปติดใส่ตัวสมาธิแล้วไปติดใส่ตัวฌานระดับต่างๆ แฉชาดเหล่านี้ก็นําไปสู่ความสงบสูงสุดคือเป็นพร ม, มพอไปเกิดเป็นพรมแล้วไปยึดติดความไปสําคัญมันหมายว่าความสงบเป็นนิพพานทีนี้ฐานพอใจแล้วทีนี้พรมไปเราข้ามพรมได้ไหมข้ามไดเพราะนั้นพรหมจึงมีอายุมากที่สุดเป็นหมื่นหมื่นปีคือหมายความไม่ได้ผุดได้เกิดเลยพอผุดเกิดอีกทีก็ตกนรกเลยนนั่นคือคนระสายดังนั้นพระพุทธเจ้าท่าน ยอมรับสมถะว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าสมถะไม่ใช่ทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นตัวอุปกรณ์สมถะที่เป็นวิถีพุทธและสมถะที่เป็นวิถีพราหมณ์เราจําเป็นต้องมีสอนแต่ต้องเป็นสมถะวิถีพุทธก็คือทําให้จิตเนี้สงบระดับหนึ่งไม่มีความคิดไม่มีวิตตวิจารณมาลบวนะ่ะก็เกิดสมาธิแล้วก็เจริญสติเลยทีนี้ ก็จะเรียสติเอาสมาธิไปพิจารณาโกดของไตรลักเป็นวิปัสนาตรงนั้นเรียกว่ายกสมถะเข้าสู่วิปัสนาคือยกตรงนั้นแต่ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนนั้นทําวิปัสนานําสมถะถ้าหากว่าเอาตัวสมถะนาวิปัสนานนคือเอาความสงบนําตัวตื่นรู้เนี่ยมันเสียเส่ยงเสี่ยงต่ออะไรเสี่ยงต่อเราไปเสียปีติเสียสมาธิแล้วมันออกยาก พอเราความสุขทีนี้นั้นเราไม่เคยมีมาก่อนตลอดชีวิตของเราใช่ไหมแต่มันเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้เป็นความสุขสุดยอดเลยแล้วใครจะกล้าปฏิเสธแค่แคกินอาหารอร่อยเราไม่กล้าปฏิเสธแล้วใช่ไหมอย่าว่าสมาธิขั้นสูงเลยแค่นอนหลับใครไปปลุ ก, ก็ยังโมโหละเพรหลังเสพสุขวิธานาจากการนอนอยู่<ม>ใช่ไหมแค่นี้ไอ้สุขวทธาที่เกิดจากรูปทั้งหลายทั้งปวงนะใครไปเบรกไ ป, ไปห้ามไปอ่าสต็อปเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่พอใจได้ใช่ไหม กำลังกินข้าวอยู่ดีๆไม่เรียกไปทำมนุนอันนี้กําลังนอนหลับอยู่ดีๆไปเรียกม น, นุนอันนี้กำลังคุยกาแฟอยู่ดีไม่ทำมนุนอันนี้เป็นไงเสียอารมณ์ทันทีแค่สุขเวทนาหยาบๆเรายัางไม่พอใจแล้วสุขเวทนาขนาันละเอียดขึ้นไประดับปีติระดับปฏิสัทธิระดับฌานใครจะเบียดเบย์ไม่มีใครเบียดอันนี้แหละมันจึงดําเนินไปสู่สายของมันไปสู่ความสงบสูงสุดเรียกว่าพรหมนะเรียกว่าพรหมอันนี้ว่าในาแง่ของเงินส่วนที่เป็นสภาวะจิต มันจะปฏิติ์แค่นั้นแต่ถ้าหากว่าไปในแง่ของวัตถุมันปฏิจจ์อยู่ที่อะไรกามาสะวะที่ิมิกีเพรา ะ, ะนั้นพรมก็ยังไม่พ้นกามาสะวะยังไม่พ้นจากกามสูงสุดแล้วยังไม่พ้นจากการคือกิเลสขั้นละเอียดนะดังนั้นอันนี้ว่าถึงโครงร่างทั้งหมดของในส่วนที่เป็นสุขเวทนานะน่ากลัวไหมถ้าจะว่าไปเนี่ยตัวรู้สึกสบายนะ่ะอันตรายกว่ารู้สึกความไม่สบาย เพราะความไม่สบายเนะี่ยมันออกมาได้เร็วใช่ไหมแต่ความสบายความสุขนี่ยมีใครบ้างอยากจะออกอยากจะทิ้งอยากจะหนีไม่มีใครออกเพราะตลอดชีวิตพวกเราก็ทุ่มเทเพื่อมันนะใช่ไหมเมื่อได้มันมาตามต้องการแล้วเรื่องอะไรจะหนีมันนะก็เสีมันให้เต็มที่ไปเลยแล้วมันนําไปสู่อะไรก็นําไปสู่ตัวอาบายทําไมจึงนําไปสู่ตัวอาบายอาบายคืออะไรบ้างนําไปสู่ความไม่สบาย เรียกว่าอาวัยวุฒิพรมนำไปสู่ความไม่สบายเรียกว่าอานิจจงนำไปสู่ทุขังใช่ไหมลาคะานำไปสู่โธสัตใช่ไหมพอใจนำไปสู่ความไม่พอใจมันก็นำไปสู่ตัวนั้นดังนั้นตัวพรมจึงเปลี่ยนแปลงจากสบุบสูงสุดแล้วมาเป็นความไม่สงขสูงสุดจากตกจากพรมก็ตกนรกเลยจากเย็นที่สุดกลายเป็นร้อนที่สุดเพราะมันไม่เที่ยง ทีนี้ น, นิพานพระพุทธเจะสอนให้ข้ามทั้งร้อนทั้งเย็นไปเลยเมืม่อไปจิตแช่อยู่ที่เย็นมันจิตแช่อยู่ที่สุขให้ข้ามทั้งสองอย่างสองส่วนไปเลยนั่นคือหลักของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราจึงไม่เห็นด้วยที่จะมานั่งหลับตากําหนดลมหายใจเซวรสมาธิอะไรมันไม่ใช่ทางแต่ว่าเป็นบันไดเราต้องผ่านเราจะไปห้ามสิ่งนี้ไม่ให้เกิดได้ไหมเวลาทําไปเกิดความสุขความสบายก็ห้ามไม่ได้มันต้องเกิดเวลาทําไปแล้วมันไม่สุข ไม่สบายห้ามได้ไหมก็ไม่ได้มันต้องเกิดแต่เราเหยียบเป็นบันไดขึ้นไปสู่ดัวยสภาวะที่สูงกว่านั้นเราสัมผัสตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนมันจะไปเห็นความสุขก็เห็นชัดว่าจะไปเห็นความทุกข์ก็เห็นชัดไปเห็นความปานกลางไม่สุขไม่ทุกข์ก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดทั้งสามส่วนก็ให้เกิดอะไรวิปาาัสสนาญาณอ่า เราเห็นตัวเพราะว่าเมื่อวานปัญญาปรากฏชัดเป็นตัวปัญญาใช่ไหมและถ้าหากว่าตัวปัญญานั้นเอามาใช้ในเรื่องของการพิจารณาการเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปของความสบายไม่สบายมันกลายเป็นวิปัสนาญาณนี่คือคือขอบวนการขั้นตอนของมันดังนั้นเองวันนี้หลวงพ่อเลยบอกอยากจะ ปรับจากเมื่อวานคือเมื่อวานลองให้ไปทําของไครของมัเราวิศวกรยังคอนโทรลตัวเองอยูไ่ไหมก็ได้วันนี้ช่วงเช้าถึงเพลิงลองเปลี่ยนพร้อมกันดูคือหมายความว่าทุกๆ5นาทีเราเราเปลี่ยนดูแต่อาจจะกระจายคนละครึ่งขึ้นข้างบนข้งขางล่างขึ้นอะไรอยเงี้ยแล้วก็ปรับทุกๆ5นาทีนาทีแรก5นาทีแรกเอาท่าไหนก่อนก็ท่านั้นไปลองดูว่ามันจะต่างกับเมื่อวานไหม ถ้าหากว่าทำอย่างเข้าใจมานอาจจะได้อารมณอดีวันนี้เพราะมันต่อเนื่องแต่ช่วงบ่ายก็ลงไปฝึกเปลี่ยนเอาเองในช่วงเช้าลองลงมาเรียนดูอีกทีหนึง่งเมื่อวานเราให้ไปทำดูก็เนื่องจากายังกำลังสติไม่พอก็ยังควบคุมตัวความรู้สึกยังไม่ได้นะอั่นนี้คือสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้ในเรื่องของเวทนาเป็นหลักว่าสุขเวทนา เกิดจากอะไรทุกขเวทนาเกิดจากอะไระทุกขมรสขเวทนาเกิดจากอะไร <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> สุขเวทนาที่ว่าไปเมื่อกี้ทีนี้มาดูกันวิวัฒนาการของทุกขเวทนาคือความไม่สบายบ้างว่ามันพัฒนาตัวขเข้ามาอย่างไรความรู้สึกไม่สบายในขณะนี้ที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะไม่สบายข <c oughs> อโทษเพราะว่าตามบทีนั่งฉัน นำพึ่งกับมะนาวช่วยพอตัวรู้สึกไม่สบายหรือตัวไม่สบายกายเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่ไปรู้มันชัดๆมันพัฒนาเป็นอะไรพัฒนาเป็นอะไรสังเกตไหมความรู้สึกที่ไม่สบายทางกายเนี่ยถ้าแช่ไป น, นานๆมันพัฒนาเป็นอะไรความหมงุดหงิดความไม่พอใจความขุ่นมัวเราเรียกสัก์ว่า ปฏิฆะใช่ไหมเรียกว่าปฏิฆะแล้วนั่งไปนานเบื่อเซิงไม่พอใจอุหิรงงวมทั้งหมดตระกูลนี้เรียกว่าปฏิฆะในภาษาบาลีนะทีนี้พอปฏิฆะเกิดความมุหงงิดไม่พอใจเบือ่อเซิงแล้วก็ยังไม่มีสติเข้าไปปรับอีกมันจะพัฒนาไปเลยเป็นโกทะโกรธอ ขอ น, นี้กูหลงเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไรจะจบจะทีอะไรไปคอมเพลนไปสารพัดเลยทีนี้เป็นโกธานะมาเจออาจารย์พูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปเกิดไม่พอใจหนะักไปเป็นโกธาพัฒนาเป็นตัวโทสะเห็นไหมจากทุกขเวทนานะั้นมันพัฒนาไปเป็นตัวโทสะและตัวโทสะไม่พอใจไม่ได้หารมณ์ไม่เกิดปฏิฆาเกิดคัดค้านเกิดไม่เอาด้วยเบื่อซิงขึ้นมาเป็นโทสะแล้ว ตัวโทสะตัวนี้ก็จะพัฒนาเป็นมานะอ่ามีการตั้งป้อมการต่อสู้การคัดค้านขึ้นมาเป็นมานะและมานะตัวนี้ก็พัฒนาเป็นมานานุใสเป็นทิฏฐิเป็นเป็นเป็นคือหมายควาว่าใครพูดอะไรมั้ยคัดค้านไปทุกเรื่องมันกลายเป็นนิสัยกึ้นเลยมานานุใสละเอียดมากตัวนี้และมานานุใสตัวนี้ก็จะพัฒนาเป็นตัวโทสานุใส และโทรสาพท์นุสัยตัวนี้ก็ไม่ตามรู้อีกก็จะพัฒนาเป็นภาวาสว่าเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดดูนะความไม่สบายกายที่ไม่ถูกตามรู้พัฒนาเป็นตัวกุณิตปฏิคะปฏิฆะก็ยังไม่ถูกตามรู้อีกพัฒนาตัวเป็นโกทะโกรธนะอ่าข้ามไปอันหนึง่ง โธทัตตัวนี้พัฒนาเป็นตัวพยาปาทะคือพยาบาทตัวนี้วนตัวที่สองนะใช่ไหมและพยาบาทตัวนี้ก็คือไปผูกใจผูกใจคุณ ม, มัวผูกใจเจ็บเอาไว้ก็เป็นโทสะโธสาพัฒนาเป็นมานะมานะพัฒนาเป็นมานานุษย์ใสานุสัยเป็นโทสานุใสโธสานุใสพัฒนาเป็นภวาสวะอ่าเห็นไหม สายของมันยาวเลยซึ่งอันนี้เป็นสายโซ่ทั้งหมดและพอเป็นภาวาสวะราเป็นกิเลตที่ละเอียดที่สุดเขาเรียกว่าอาสวะกิเลตออกยากที่สุดเพราะฉะนั้นคนไหนที่เป็นมีนิสัยที่เป็นโทษะเจริตก็จะมุ่นหินง่ายเสียหลงง่ายใครพูดะอะไรผิดหูผิดตาเลยไม่ได้มุ่นหินไม่พอใจมันก็จะกลายเป็นมานานมานานุสัยและกลายเป็น ความอดื่ือดือดีขึ้นมาในจิตในใจประจำรํำนุสัยฉันดีกว่าแกก็มานะแบ่งเป็นเก้าแต่ในตระกูลมานะแบ่งเป็นเก้าอย่างตัวดีของเขาสําคัญว่าตัวแย่ของเขาตัวดีของเขาสําคัญว่าตัวเสมือนเขาและตัวต่ําเขาสําคัญว่าตัวดีของเขาตัวต่ําเขาสําคัญว่าตัวแย่ของเขาหมุนไปสามรอบสามสามเก้า ซึ่งเราจะเห็นว่าในตัวโทสะยังพิษก็มันจะออกมาเป็นตัวมานะดังนั้นเมื่อมีความไม่สบายเกิดขึ้นเราจาเป็นต้องเคลียร์ออกให้ไวที่สุดเท่าที่จะไว้ได้แต่ในกรณีที่เราต้องการเอาตัวทุกเวทนาเป็นเครื่องมือในการบำบัดอะไรบางอย่างอันนั้นก็เป็นกรณีพิเศษไปต้องใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็นไม่ได้หมายความว่า ตัวรู้สึกไม่สบายกายนี่จะเป็นให้เกดให้เกิดโทสะปฏิฆะมานะเสมอไปขึ้นอยู่กับถ้าเราใช้มันเป็นตัวความไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่ก็สามารถปราบเหมือนกับพ่อแม่ถ้าเด็กอบรม ล, ลูกสอนเล้วซสอนอีกสอนเลี้สอนอี ก, อออกมันมันไม่ฟังไม่ทำตามพ่อแม่สมัยก่อนเขาทำยังไงเคียนตีใช่ไหมเออมไม่ฟังเลยเคียนก็ตี ทีนี้ในกรณีที่กิเลสมันซุกซนอย่างเนี้ย่มันพูดไระอย่าว่าไม่ฟังคือไม่ยความมันจะคิดเรื่องนั้นลงนี้ไปเรื่อยเราก็ต้องเขียนใช้อะไรเขียนใช้ทุกขเวทนาเขียนอมันคิดฟุ้งซ่านมากนักนั่งมันทีเดียวชั่วโมงเลยดูมันจะฟุ้งซ่านแค่ไหนเอาตัวทุกเวรณาขณะนั้นไปบีบมันไมาให้ฟุ้งเพราะเมื่อทุกเวทนามันแรงกว่าใช่ไหมไอ้ความฟุ้งมันก็ไม่ไปได้ไม่ไกลแล้วทีเนี้ นี่เขาเรียกว่าใช้ไม้เรียวคือใช้ทุกขเวทนาไปเขี่ยนจิตอีกทีหนึ่งเหมือนพ่อแม่สั่งสอนลูก ม, มันคิดนู่นคิดนี้เราพยายามจะหยุดมันเท่าไหร่มันไม่หยุดใช่ไหมอยดดู่นิดก็ไปคิดเรื่องนั้นหยุดนิดไคิดมันดือน้อไงมันดือ้อก็ต้องใช้ไม้เรียวเขียนก็คือใช้ทุกขเวทนานี่เองให้เข้มนี่ใช้ในกรณีพิเศษเท่านั้นในกรณีที่จิตของเรามันมันดือดน้อด่ามันไม่เอาอะไรใช้ ทุกเวทนามาเป็นตัวขม่มใช้ในบางครั้งแต่ใช้ประจําแล้วถ้าพ่อแม่เออารู้ที่เลูกเออารู้ที่เลูกพ่อแม่เป็นไงลูกเสียคนเลยเออารฉันก็จะเอาทุกเวทนามาข่มอารมณ์เออารฉันก็ทุกเวทนามาข่มอารมณ์จิตเราจะเสียเราจะกลายเป็นคนที่มีสแสดงอํานาจมีพลังมีโทศั์จริตมีรูแรงแข็งกล้าวขึ้นมาก็าเลยเป็นประเภทสอดิบไปเลย ถ้าเราใช้ทุกขเวทนาเข้ามาใช้ในกรณีที่เกินจำเป็นและไม่รู้จักใช้ก็จะทำให้คนมีนิสัยก้าวร้าวแล้วก็ประเภทที่เรียกว่ากดข่มและเก็บกดเป็นอันตรายในที่สุดเหมือนกันนะอันนี้คือในตระกูลของทุกขเวทนาอย่าลืมว่าตัวแรกสุขเวทนาพัฒนาเป็นเกียรติอย่างกลางคือตัณหา ทุกขเวทนาพัฒนากิเลสอย่างกลางก็คือมานะแต่สุขเวทนาพัฒนากิเลสอย่างย า, ยาบก็คือราคะทุกขเวทนาพัฒนากิเลสอย่างอีาบก็คือโทสะเมื่อคืนได้นอนบ้ า, บานนงเขาบอ ก, ลกเลยยายเกลนะียดแล้วเกลียดองมันก็ดยังเล่นงานคือเฉยเมื่อคืนไม่เคยได้นอนนึกนอนไม่หลับ ก, ก็ไม่รู้นะหรือไม่เคยตื่นเช้าเรื่องเรื่องมันที่ตื่นแปดโมงเก้าโมงอีที่ว่านนะใช่ไหมก็เลย เราวิบ่าวคนดักหน่อยเอาละทีนี้ตัวที่สามคืออะไรสุขกิจนาทุกขกิจนาตัวต่อไปคืออ่ะทุกขมาสุขกวทนาซึ่งเราเย็นเราจะสวดเรื่องนี้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์นี้ใช่ไหมอะทุกขมาสุขไม่ค่อยคุ้นเรีจะคุ้นว่าสุขทุกใช่ไหมอะทุกขมาสุขไม่คยคุ้นแต่ถ้าใช้ภาษาไทยคือสบายไม่สบายแล้วก็เฉยเฉยคือไม่มีแชทอะจะว่าสบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่ใช่ เขาพ่ยเฉยนี่แหละเป็นชื่อของคําว่านี่ตามภาษาที่ท่านนิยามในภาษาตํารานะคือความสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงท่าเลยมาไม่หยาดว่าเฉยๆความจริงมาไม่มันไม่มีศั์อื่นน่ะไม่มีศับอื่ น, น, นก็เลยบอกว่ามาเลยบอกความไม่ชัดเจนทั้งสุขทั้งทุกข์สุขเกิดขึ้นก็เฝ้าดูไม่ชัด รู้ไม่ชัดเพลินทุกเวทนาเกิดขึ้นไม่สบายกายเกิดขึ้นก็ไม่ชัดเข้าไปอยู่ในทุกเวทนาตัวที่ไม่ชัดทั้งสองฝ่ายนี่มันกลายมาเป็นตัวอทุกข์ก็มาสุขเวทนาดูให้ดีนะว่าตัวสุขเวทนาพัฒนาไปตามลําดับขึ้นมาเนี่ยตัวทุกขเวทนาก็พัฒนาไปตามทีนี้อทุกขก็ามาสุขเวทนาพัฒนาตัวอย่างไรเพราะตัวไม่ชัดทั้งสองฝ่าย ตัวที่ตามมาลักษณะนั่นก็คือตัวนิวรณ์ทั้ง5้าทั้งสามตัวอาทุกขมสสุกุลก่อให้เกิดนิวรณ์สามตัวก็คือง่วงอันที่หนึ่งเรียกว่าถีนมิทะอันที่สองอุทะจาัยฟุงซ่านอันที่สามวิจิกิชาลังเลสงสัยเฉพาะอทุกขมสสุกุลก่อให้เกิดนิวรณ์สามตัวเลยเดียวเพราะว่านิวรณ์ทั้งห้าบอกว่า ความสบายกายพัฒนามาเป็นกามฉานทะใช่ไหมความไม่สบายกายพัฒนามาเป็นพยาบาทะใช่ไหมและความไม่ชัดทั้งสองอย่างพัฒนามาเป็นอีสามตัวคือความม่วงความฟุ้งซ่านและความหลังเลและในตระกูลนีเองสุขเวทนาพัฒนามาเป็นราคะทุกกเวทนาพัฒนาตัวมาเป็นโทสะอทุกขเขาสู่เวทนาพัฒนาตัวเป็นอะไรเป็นโมหะเพราะหน้าราคะโทสะโมหะ ต้นตอมันก็มาจากนิวรณ์ทั้งห้าและต้นตอมของนิวรณ์ทั้งห้ามาจากอะไรมาจากเวทนาทั้งสามเวทนาทั้งสามเกิดมาจากอะไรไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกข์หาหน้าตาเห็นไหม ม, มันสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นการแก้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือมาเจริญสติสัมมาสติทั้งให้ถูกต้องแล้วมันจะเคลียร์พวกนี้ได้ทั้งหมดเลยโดยที่มันจะไปยุ่งบนทีละตัวเลยเพราะฉะนั้นสัมมาสติมันจริงเสมือน เตาไฟที่ร้อนแรงขยะไม่ว่าประเภทไหนอะไรโยนเข้าไปตรงนั้นมันไหมหมดใช่ไหมนั้นกิเลสในสามตระกูลเนี่ยมันจะร้อนแรงขนาดไหนถ้าใช้สมาสติแล้วก็เบินเผาให้หมดนั้นเวลาเราสวดมันมีกี้ควาว่า <c oughs> จำคากุญแจสามคำให้ได้เลที่สวดอาตาปีสัมปชานสติมาจำได้ไหมคำ ว, ว่าอาตาปีแปลว่าเตาไฟอ่า เตาไฟของจิตอาตาบีไฟของอะไรตามมาด้วยสองคำคือสัมปชาญญูและสติมาคำว่าแสงไฟที่รแรงแรงก็คือความเข้มข้นของสัมปชัญญะและสติและสามารถขจัดอภิชาตวินั ย, ยโลเกะอภิชาโทมันจะสามารถความขจัดความไม่ความพอใจคืออภิชาและโทมนัตเสียได้ เ <c oughs> ม่อี้ข้ามไปสองตัวที่ว่าตัวความพอใจที่เราไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนตัวมาเป็นโสมนัสใช่ไหมตัวไม่พอใจถ้าไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนตัวมาเป็นโทมนัสเพราะในสติปัฏฐานสูตรมีคําว่าโทมนัสโสมนัสแต่ไม่มีคําว่าอปาุปเเขาแต่เวทนามีคําว่าอเาุเปยขาเวทนาที่หมายถึงว่าความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยกลายมาเป็นโสมนัสสวิทนาโทมนัสสวทนาครับอุปิขาเวทนาอ่หมายความคือความพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเฉยความพอใจก็เกิดราคะความไม่พอใจเกิดโทสะความไม่ชัดทั้งสองอย่างมาเป็นโมูหัอ่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว การที่เราจะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เข้มแข็งให้ชัดเจนเสมอจึงเป็นสิ่งที่สาคัญจึงเป็นสิ่งที่สำคั ญ, คญดูอีกทีหนึ่งว่าตัวอทุกขมะสุขะเวทนาที่ว่าเมื่อกี้ว่าเมื่อ ค, ความพอความไม่สบายกายเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้มันไม่ชัดนั่งไปอย่างนั้นแหละแช่จมอย่างนั้นแหละแทนที่จะพจะลิกจะเปลี่ยนจะเวียนจะหมุนให้มันเห็นชัดๆความไม่สบายกายคือความ รู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นก็แชร่มาอยู่นั้นแหละไม่ปรับเปลี่ยนเวียนให้มันมันดีขึ้นก็กลายไปเป็นตระกูลโพสะตระกูลต่างๆจนไปถึงตัวผวาสวะทีนี้พอเราไม่ชัดทั้งสองอย่างความสบายก็รู้ไม่ชัดไม่แจ้งความรู้สึกไม่สบายก็รู้ไม่ชัดไม่แจ้งมันก็กลายมาเป็นตัวอุเปเฆาเวทนาเพราะฉนั้นคําว่าตัวอุเปเฆาเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆทื่อๆ เรามาเรียกว่าภาษาวัจจุบันเรียกว่าซื่อเลยนะซื่อบื้อนั่นแหละตัวอย่างของอุเบกขาเวทนาคือซื่อบือ้อไม่ใช่รู้จักซื่อๆนะรู้จักแบบซื่อบนะื้อเรียกว่าอุเบกขาเวทนาและอุเบกขาเวทนาตัวนี้ไปพัฒนาตัวมาเป็นตัวโมหะเป็นโมหานุสัยและโมหะตัวนี้ก็ยังไม่เคลียยังไม่ชัดมันอีกมันพัฒนา ม, มาเป็นตัวทิฏฐิเมื่อกี้ทศ พ, พัฒนามาเป็นตัวมานะใช่ไหม แล้วตัวอุทูสุพัฒนามาเป็นตัวทิฏฐินั้นกิเลสระดับระดับกลางคือตัณหามาณทิฏฐินั่นเองก็พัฒนาเป็นราคะาโทสัมมุหันพัฒนาระดับกลางตัณหามาาทิฏฐิทิทิฏฐิเราก็ยังตามไม่ทันอีกมันกลายมาเป็นความคิดของตัวเองจะเป็นสมาธิทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิยังไม่รู้น ะ, นะแต่ถ้าพัฒนาไปจากความไม่ชัดแล้วมันน่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ และตัวไิ่ชาทิฏฐิตัวนี้เองจึงเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติคือความเห็นผิดหนาจากความเป็นจริงแล้วก็ขอให้เกิดการทะเลาะเบแะแสเกิดการแย่งชิงเกิดการสงครามกันทั่วโลกก็ไปจากทิฏฐิของคนนั่นเองจากตัวทิฏฐิก็พัฒนาเ ป, ป็นทิฏฐุปาทานเป็นอัตรวะทุปาทานเป็นสีละพัตุปาทานแล้วไปเป็นตัวอวิชชาสวัสด เห็นไหมสายของมันดังนั้าคำเหล่านี้เป็นคำเทคนิคนั้นเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอเพราะมันเป็นภาษาวิชาการแต่ฟังเอาไว้ก่อนก็แล้วกันต่อไปในวันข้างหน้าเราอาจจะพัฒนาตัวเองให้เป็นอาจารย์วิปัสนาก็ได้แล้วก็ต้องไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เหมือนเราเป็นคนป่วยอ่ะไปซื้อยามาก็มีหน้าที่กินยาแก้ป่วยเท่านั้นเองใช่ไหมไม่จำเป็นต้องรู้ว่ายาเม็ดนี่มันประกอบด้วยอะไรเคมีตัวไหนเป็นอะไรไม่ต้องรู้แต่ว่าหนึ่งคุณต้องการที่จะเรียนเป็นเภสัชเป็นแพทย์เข้าอ่ะก็จะเป็นต้องไป รู้ไปจำไอ้สาร พ, พวกนี้แต่ตัวนี้เราเป็นเพียงคนป่วยต้องการกินยาหายแล้วก็ไม่ต้องการเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปจำนะเพราะนั้นิจา้าจึงเป็นแพทย์ใหญ่ของโลกผ่าตัดเป็นหมอผ่าตัดเอากิเลสออกจากนั้นเองตัวสัมมาสติที่เราว่าเนี่ยคือประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมและในส่วนกายที่เราทำอยู่ก็คือเรา ใช้การเคลื่อนไหวมาเป็นตัวอุปกรณ์เพื่ออะไรเพื่อให้กําลังของสติสัญญาเข้มแข็งพัฒนากําลังของสติสัญญาเอากำลังของสติสัญญาไปทําอะไรไปเฝ้าดูเวทนาระดับต่างๆที่กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งสาระดับเมื่อเห็นเวทนาชัดทั้งสาระดับแล้วเป็นยังไงก็ทําให้เราเกิดตัววิปาาัสนาญาณและตัววิปัสนาญาณตัวนี้เองจะไปจัดการเรื่องจิตเรื่องอารมณ์ ต, ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือไปรู้สมุทัยของทุกอะไปรู้สมุทัยมันก็จะละทุกได้ง่ายอะไรเกิดขึ้นในจิตปั๊บสลัดทิ้งเลยเหมือนน้าใสาๆอะไรตกไปปั๊บก็หยิบออกได้ง่ายแต่ถ้าไปน้ําขุนๆไปยังไงตกอะไรตกไปก็ไม่เห็นน่ะใช่ไหมขุนนั้นไม่พอแผ่มันก็เพิ่อมอีกจังหักีิตของเรานอกจากขุนมัวแล้วก็ยัง วกแวกห ว, วั่นไหวแขวงไปแขวนมาอีกต่างหาแต่พอมาเจริญสมาสติแล้วจิตของเราที่มันเคยแบกรับอารมณ์ต่างๆในอนดีตก็ดีนอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันถูกตัดอ่าทุกตัดขาดถูกตัดแล้วส่วนที่เหลืออยู่มันก็เริ่ม ต, ตกตะกอนก็คือระกวนมาเรืร่อยๆเอาเอาสารส้มสติที่มันสารส้มกวนเข้าไปเรืร่อยๆสร้างยังหวะเรื่องที่แขวนมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมันใสขึ้นมา เราก็จะเห็นว่าอะไรอยู่ในน้าําบ้างเมื่อจิตของเราเมื่อสติสมาธิสมัมมาชญ ya เข้าไปกวนเข้าควนเ ข, ข, ข, ข้าจิตของเราก็จะเริ่มใสสะอาดก็รู้สึกเบาสบายใช่ไหมร่างกายก็เบาใจก็เบาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆกายเบาใจเบาเวลาไอ้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาตกขึ้นมาในใจปั๊บมันก็เห็นได้ง่ายเมื่อเห็นได้ง่ายปั๊บมันก็สลัดได้ง่ายอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงทําแบบนี้นะ แต่ถ้าหากว่าเราไปใช้ในวิธีอื่นอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อวานแล้วมันช้ามันไม่ทันการแล้วต้องใช้กําลังใช้เวลาเยอะแต่วิธีการนี้ใช้กําลังใช้เวลาน้อยแล้วก็มันไวเพราะฉะนั้นเวลาเราลงมือทําก็ต้องทําอย่างจริงจังแล้วทําอย่างถูกต้องนั่นโลโก้ที่มาเอาใช้สำหรับวิธีการนี้ใช้คําว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องจริงจังตั้งใจมันถึงสถาทและความเพียร ต่อเนื่อหมายถึงสติและสมาธิถูกต้องหมายถึงปัญญาเอามารวมเป็นอินรีย์ทั้งห้า ก, ก็คือสภาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเองแต่มารวมคําง่ายๆว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องอ่าแล้วมันก็จะทําให้การปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปได้สะดวกแล้วก็ได้ผลไวนะแลนั้นเองในวันนี้เราเข้มขึนม้นอีกระบเว่าในช่วงเช้าถึงเพลนเราลองมานั่งปฏิบัติร่วมกัน ว่าศึกษาถึงการไต่ระดับของสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกข์กับสุขเวทนาว่ามันไต่ระดับของมันอย่างไรแล้วมันก็จะทําให้สติกําลังสติสัญญาของเราถี่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไหวขึ้นนะดังนั้นในวิธีการอันนี้ถ้าหากพวกเราทุกคนแจ่มแจ้งชัดเจนเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่บอกได้สอนได้เผยแพร่ให้กับคนอื่นได้โดยไม่ยากโดยเฉพาะญาติพี่น้องในครอบครัวของเราคนที่เขายัง ไม่ภาษีภาษาเรื่องเหล่านี้เพื่อนฝูงอันเป็นที่รักของเราคนที่เรารักเราก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้เราต้องประสบผลสิ่งนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่คำจำคำพูดของอาจารย์พูดนะแต่ได้เห็นสภาวะวะเหล่านี้ภาษาที่เราจะพูดกับเพื่อนของเราอาจจะไม่ใช่ภาษาที่หลวงใช้แต่เป็นภาษาของเราเองที่ฟังแล้ว เป็ภาษาอะไรก็ได้จะฟังแล้วเข้าใจใน ล, ลักษณะเดียวกันได้นะด้วยโชว์ย่างยิ่งมันมีปัจจุบันภาษามันเยอะขึ้นนะแล้วสําหรับตัวเราเองเราก็จะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นว่าง่วงเกิดขึ้นเพราะอะไรพอใจเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรไม่พอใจเกิดขึ้นเหตุมาจากอะไรฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเหตุมาจากอะไรเริ่มรู้จักแล้วแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักมันใช่ไหมเราก็ลุยไปอยู่กับมันแช่กับมันไปกับมันเลยไอ้สิ่งที่เป็น เนกาทีฟทั้งหลายสิ่งที่เป็นอกุศลจิตที่เกิดขึ้นในตัวของเราทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่เสียหายแต่มันกลับเป็นวัตถุดิบของเราเหมือนอย่างนี้เมืออเรายากินปลาไปซื้อปลามาตัวหนึ่งกินเลยได้ไหมต้องมาทำยังไงเอาทำยังไงก่อนฮ ะ, ฮะเอาเกเอาไส้ออกแล้วต่อไป แม่ครัวลำดับกการสำคัญจะต้องผ่านอะไรผ่านความร้อนถ้าไม่ผ่านความร้อนก็เป็นแจรเป็นนิดฟูดเท่านั้นแนหะใช่ไหปลาอะไรเนี่ยขึ้นเครื่องหินใบเจ้อาา่ะเอ่อกินปลาดิบแต่นั้นมันเปนกรณีพิเศษนะแต่ในกรณีทั่วไปแล้วเนี่ยการกินของสดของเขาต้องผ่านความร้อนเสมอเพื่อที่จะเอาอะไรมันออกเพื่อที่เอาส่วนที่มันดิบเถื่อนออก จิตของเราก็เหมือนกันมันดิบมันเถื่อนด้วยอะไรราคะโทสะโมหะมันทั้งเหม็นทั้งข่าวทั้งดิบทั้งเถื่อนใช่ไหมทั้งสดเสร็จแล้วเราจะไปกินเรื่องนี้เป็นอาหารปั๊ต้องผ่านความร้อนคือผ่านอาตาปีคือตะบะดนั้นที่เรามาทำเรามาสร้าง ต, า, ตาปีมาสร้างเตานะเพื่อ transform นะขอใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเปลี่ยนแปลงจากดิบให้มันเป็นสุกปลาตัวเดียวกันไหม จากกินสดกินข้าวกินเหม็นกลายมาเป็นกินเลยหอมหน่ารับประทา น, นยิ่งข้าวมากยิ่งดิบมากเถื่อนมากยิ่งอร่อยมากเลยทีนี้ใช่ไหมอย่างปลาปลาไหลอย่างเงี้ยใช่ทั้งข้าวทั้งดิบทั้งแต่พอกแกงเขาแล้วโอโอร่อยมากเลยเห็นไหมตัวก oh ิเลสราคะโทสะโมหะที่แรงๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงมาเป็นนี่เป็นมันก็จะเป็นศีลสัสมภทียปัญญาอย่าง ดีมากเลยคนไหนมีราคาโทสะแรงๆเนี่ยพอเปลี่ยนได้เป็นศีลสคนนั้นก็จะเก่งมากมีสติเข้มแข็งมีปัญญาดีมีความแหลมคมในธรรมเห็นไหมเพราะวัตถุดิบที่มีความเข้มข้นมากที่สุดเมื่อเปลี่ยนแปลงไปวัตถุดิบที่สุดก็จะมีความเข้มข้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคะพอทรานส์ฟอร์มมาได้มาเปลี่ยนเป็นศีลเป็นคนรักสวยรักงามเพราะเป็นคนมีศีลก็เป็นคนรักระเบียบแบบแผน เป็นคนที่ทำอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผนได้ดีสวยงาม ส, สะอาดสง่างา ม, งามไปจากราคะนั่นเองเพราะมันถูก transform ด้วยยานปัญญาโทสะ่ารุนแรงมากขนาดไหนก็ตามเมื่อถูก transform ด้วยด้วยสติมญยามันกลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิคนมีโทสะสูงโทสะแรงแสดงว่าคนนั้นมีสมาธิสูงแต่พราะมันไม่ได้อย่างใจ มันก็เปลี่ยนเป็นโทสะแต่พอถูกสติสเนียเข้าไปประกบไป transform ไปเปลี่ยนรูปมันเข้าจากโทสะกลายเป็นสมาธิอย่างพระโมคคราณะท่านเก่งในด้านเลยไปเรื่อยทางด้านสมาธิใช่ไหมด้านฤทธิ์คนที่มีฤทธิ์สูงาะมีสมาธิสูงและปรากฏว่าท่านมหาโมคคะราณะเป็นคนเจ้าโทสะ่าพ่อาแม่ได้ทหลายพ่อแม่ได้ใช่หท่านโทสะขนาดไหน แต่พอมา transform ด้วยพุทธธรรมแล้วท่านกลายเป็นพระหันที่เลิ่ทางด้านฤทธิ์สามารถเหาะเหมือนเดิอนอากาศบรรดาลอะไรได้เพราะมีสมุท่สูงตัวราคะและโทสะแล้วโมหะถ้าเปลี่ยนแปลงได้ด้วย transform ด้วยอํานาจของสติสัญญาที่ถูกต้องมันมาเปลี่ยนเป็นอะไรโมหะเป็นศีล ส, สมุทิก็เป็นปัญญาคนที่โมหะง้องเง่าเต่าตุลที่สุดถ้าเปลี่ยนแปลงได้จะกลายเป็นคนฉลาดที่สุด เออมันเป็นเรื่องประหลาดนะแต่ถ้าคนโง่ก็ยังเป็นคนโงต่ต่อไปเพราะขาดการเจริญอะไรการเจริญสติสามัญญาที่ถูกต้องยกตัวยอย่างเงหลือเวลาห้าโมงนาทีนะเรื่องมันเยอะยกตัวยอย่างท่านพระ อ, อจุลปันถุมีพี่คนหนึ่งเชื่อมาหาปันถุ สองคนที่เป็นลูกกัมพาในสมัยครั้งผู้ทธิเจานะ้านพ่อแม่เกิดอุอดบัติเหตุหรือตายไปก็อยู่กับตากระยายตายายอยู่ใกล้วัดประชิดตะวันใกล้วัดทุ่เจ้าก็พาไปวัดตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมาได้ไม่นานก็ได้ฟังธรรมะทุกวันทุๆเลยขอบวชมหาบรรทุกแล้วให้น้องชายชื่อจูรัตบรรุกเลี้ยงตากระยายที่พุทธเอกไปบวชปฏิบัติทำได้ไม่นานบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็นึกถึงน้อง อันนี้เป็นวิสัยของคนปฏิบัติธรรมนะถ้าตัวเองสุบสบายแล้วนึกถึงคนรักนึกถึงคนน้องอันนี้ถ้าหาคนไหนยังไม่สัมผัสธรรมะแล้วมันจะไม่นึกถึงคนอื่นนะนึกถึงแต่ตัวเองแต่คนไหนสัมผัสธรรมะแล้วมันจะนึกถึง <c oughs> คนอื่นอันนี้เหมือนกันมนหาปัญโถบบรรลุ ธ, ธรรมแล้วนึกถึงน้องชายโอ้น้องชายเราเอาเปรียบน้องชายหรือเปล่ามีป่วยให้แกดูแลตายายมา น, านั้นเพราะงั้นไปชวนแกมาบวชดีฟ้านะเราหาคนอื่นดูแลตายายแทน ขอโทษนะกอให้เกิดความนําคาญแก่ผู้ฟังเป็นั้นมากพอเอาน้องชายมาบวชตัวเองเนี่ยได้บรรลุธรรมเพราะฟังคาถาบทหนึ่งของพระพุทธเจา้าก็อยากจะให้น้องชายบรรลุธรรมด้วยการเอาคาถาบทเดียวกันไปให้น้องชายท่องและบริกรรมปรากฏว่าน้องชายบวชแล้วก็ ห้องบริกรมรมคาถาอย่างเดียวกับพี่ชายคือมหาปฐุบออกคันสามาเป็นไงจําได้เลยเข้าใจอย่างบรรลุแล้วยังอย่าว่าแต่บรรลุคาถาผมยังจําไม่ได้เลยพี่คาถาสีบรรทัดแค่นั้นผมยังจําไม่ได้เลยโอ้อะไรจะขนาดนั้นจะได้ว่าเธอไม่มีวาสนาบารมีนั้นศึกไปเลี้ยงพ่อแม่แล้วเรื่องตาใหายเหมือนเดิมก็แล้วกันเธอไม่มีวาสนาบารมีอย่างนี้ะนะทีนี้ท่าน จูรวพันธุกก็ยังรักความเป็นพระอยู่ไม่อยากจะสึกแต่ถูกบังคับถูกพิชายบังคับให้สึกก็ร้องไห้เดิอนออกจากวัดไปพอดีหน้าวัดเนี่ยผู้ดีเจ้ากํลาลังดึงจงกลรมอยู่พอดีแล้วอุบาสิกาที่ไหนผ่านนั้นถวายผ้าทผืนหนึงเป็นผ้าขาวนะในที่นี้ไม่มีผ้าขาวนะก็ถวายผ้าขาวท่านก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านจูระพันธกใช่ไหมท่านก็เรียกไปอ่ะปีง่ร้องไห้ทําไมเด่ะไปไหนอ่ะหมอผม พี่ชายไล่สึกกับผมมาขอสิกแล้วผมก็จะกลับไปดูแลตายายเรื่องอะไรไล่สึกก็ท่านให้ผมร้องคาถาบทอันนี้แล้วก็พิจารณาเพื่อให้บรรลุธรรมเหมือนท่านแต่ผมทําไม่ได้ความจผมไม่ดีแม้แต่คาถาพผมยังไม่จำเลยโอ้ไม่ต้องกังวลนี่วันนี้เอาเอาผ้าขาวผืนนี้ไปนะให้ไปนั่งนูง้นถ่ายวิหารในขณะนั่งเธอก็เอาผ้าขาวนี้แล้วบริกรรมผ้านี้ขาวหนอ๋อ ฮานี้ขาวแล้วลลชูหันนังแล้ชังมันระดภาษาเขาน่ะแล้วชูหนนังแชังมันระดแล้วชูหันังแชังมันระดีฮานี้ขาวครับ้านั่งรูปอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอย่างอื่นถ้าคิดไปก็ดึงมาหยุดตรงนี้ถคิดไปให <c oughs> ้ดึงจีบมาอยุดตรงนี้แค่นี้เราไปทําดูนะถ้าสมมติทําไปถึงเย็นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ฉันก็จะเสือให้ประมาณนัะนก็ไปนั่งทำท้าวิหารแล้วชูนนังแชังมัติะดชูนังแชังมันระไปถึงตกบ่าย ผ้าที่ขาวใสๆตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยมันกลับเป็นอะไรสีมอโมเพราะขณะที่มันแดดร้อนเหงื่อหกออกใช่ไหมแล้วก็ฝุ่นผงมันก็จะติดไม้ตีมือไปก็ไม่รู้ทําให้ผ่านี่มอตอนที่ลูกเหมืนขึ้นลูกไปเรื่อยๆท่านไม่ได้สนใจว่าผ้าเป็นแต่ตอนตก บ, บ่ายมาท่านไปเห็นผ้าเอา้าผ้านั้นถ้าขาวใสสวยมากทําไมมันเป็นสีท่านไปเพ่งจุดนั้นเลยก็เกิดระเบิดขึ้นในองค์ของจิตเลย วิชาที่สั่งสมมานานที่ทําให้ท่านเป็นงงมันระเบิดออกมาสว่างว่าบเลยเหมือนกับสปาร์คไฟอ่ะสว่างว่าขึ้นมาตัวอานิจังทุกขังหน้าตาปรากฏตรงนั้นทันทีเลยว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเนาะนเช้ามันหาวมืนันสวยตอนนี้มันกลับเป็นมรเป็นคุณก็เกิดความองค์ความรู้อย่างมหาศาลได้บรรลุธรรมขนานั้นแล้วกลับไปหาพระเจ้าว่าผมไม่สิ่อแล้วครับผมเข้าใจแล้วอะไรเป็นอะไรเห็นไหม เสร็จแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าในวันต่อไปเนี่ยในอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยตามปฏิวัติเชตวันนั้นมีพระสงฆ์ห้าร้อยรูปอนาถปินฑิบไกจะทําบุญวันเกิดไปนิมนต์พระสงฆ์ห้ารูปแต่ท่านมหาบัรรทกท่านเป็นพระดุเทศขยันมากคุเทศหมายถึงอะไรพระดุเทศหมายถึงพระที่มีหน้าที่นิมนต์พระด้วยกันเนี่ยไปงานนิมนต์ เขาจะมีหัวหน้าพระรูปหนึ่งเรียกพัดตุเทศงานนี้พระสง์ทั้งวัดนีจะไปที่ไหนขึ้นอยู่กับพระองค์นี้จะนิมนต์เขาเรียกเป็นธรรมน้าทีพัดตุเทศก็เลยรับปากไว้ไว่าจะไปห้าร้อยรูปแต่ว่าท่านได้ไล่น้องชายสึกไปเช้าเนี่ยพราะพระสมก็เขจะไม่ครบจะเหลือเท่าไหร่สี่ร้อเก้าสิบเ้ารูปก็บอกอนาะถาไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านก็อพอท่านเตรียมของถวายไปห้าร้อยชุดใช่ไหมเอาผมเตรียมของไว้ห้าร้ยชุดนะท่าน อ, อีกองหนึ่งท่านสืบไปแล้วบางเงนท่านก็ไม่รู้นะว่าน้องชายนเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรเรียบร้อยท่านก็ไม่รู้อ่าองค์สืบว่าแล้วเหลือสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไปเป็นไรอยู่อ๋อไม่ได้สิท่านแล้วอนาถาพิญญุปะเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าว่าพระขาดไปองค์หนึ่งจะทําไงก็ไม่ขาดอยู่ที่วัดนั่นแหละพุทธเจา้าในเศร้าใช่ไหมอยู่ที่วัดนั่นแหละเอา้าพระอยู่ท่านบอกอันน้คนใช้ไปที่มุนท่านมา เข้าไปที่วัดชินวันพระเตรียมวัดเลยโอไม่ใช่องค์เดียวนี่ถ้าเตรียมวัดวิ่งกลับทะเลยทรลาไปหาบอกไหนบอกเอาองไหนท่านมีเตรียมวัดเลยพระต้องเยอะแยะเตรียมวัดเลยเอาองไหนเออนั่นน่ะเอาองค์ชื่อหรือชูรักบทกน่ะอก็ไปกลับไปอีกรอบหนึ่งท่านชื่ออะไรครับชื่อ ช, ชูรักบรรทุกอันี้มุนไปบ้านเศรษฐีอ้ ถามองไหนก็จิวระมณฑุหมดที่นี่ไม่รู้จะองไหนทุกองค์ชื่อจิวระมณฑุเหมือกันหมดเขากลับไปอีกทีหนึ่งมิเดพระจิวระมณฑุเตรียมว่าเลยท่านทาไงพระพุทธเจ้าเขบอกกลับไปอีกทีหนึ่งนะไปถามองไหนว่าชื่อจิวระมณฑให้จับแขนเลยว่างั้นต้องเอาองนั้นออกมาไปรอบที่สามท่านชื่ออะไรก็จิวระมณฑุจับแขนแล้วก็ดึงมาเลยอีกห้าร้อยสี่ร้ยเก้าสิบเก้าลูกหายไปพว้เลย อันนี้คือตอนแรกท่านเป็นคนโง่ขนาดจําขนาดขาสี่บาทนีงไม่ได้ใช่ไหมแต่ประบพเพบรรุเป็นพระหันแล้วได้ทั้งฤทธงเดช ท, ทั้งปัญญาเพียบเลยอันนี้ที่บอกเมื่อกี้ว่าคนที่ว่างโง่ที่สุดอย่าไปดูถูกนั่นแสดงว่าเขามีปัญญามากที่สุดเหมือนกันแต่ยังขาดการองค์ประกอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวอวิชชาให้เป็นวิชาเท่านั้นเองขาดองค์ประกอบของสติสัมยาที่จะเปลี่ยนแปลง มูหาให้เป็นปัญญาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวที่เราฝึกตัวเนี้ยเราต้องทําให้มันถูกต้องแล้วจะเปลี่ยนแปลงความสิ่งที่เป็นเลกัติฟทั้งหลายให้เป็นโพสติฟได้ทั้งหมดแต่ทุกวันเนี่ยมันก็ยังเป็นเลกัติฟเมื่อเดิมยังเป็นอกุศลได้กินเมันเดิมยังเป็นวิบากเมื่อเดิมเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวแปลคนได้ตัวทรานสฟอร์เมอร์คือตัวสติสมัมปชญญะที่เป็นสมาถสติเป็นสิ่งสําคัญ อได้เวลาแล้วเนาะหิวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ในจุดทั้งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเวทนานะว่าขอสรุวิธีว่าในความรู้สึกสบายที่เรายึดแล้วติดเนี่ยมันพัฒนาเป็นกิเลสที่น่ากลัวที่สุดจากหยาบที่สุดไปถึงละเอียดที่สุดเรียกว่ากามาสวะความไม่สบายทางกายความทุกข์ทางกายเนี่ยเอาเฉพาะทางกายนะถ้าเราไม่มีสติกำหนดรูปมันไปเปลีป่ย น, น, นเป็นความทุกข์ทางจิตเรียกว่า โ, โสทมรัสสใช่ไหมความไม่พอใจโทมรัสสะวิทย์พัฒนาไปเรื่อยเป็นโธโมรัสสะ ว, วทนาเป็นโกธเป็นพยาปาทาเป็นโทสานุสัยเป็นามานะเป็นตัวภาวานุสัยเป็นภาวาสวะเห็นไหมและอย่ที่สุด่ะแม้แต่พระอนาคามิยังบอกไม่ได้เลยอย่าว่าแต่พระโสดาบัน ตัวทุกขเขามาสุกเวทนาคือความไม่ชัดเจนในสุกในทุกเนี่ยมันพัฒนาตัวมาเป็นอะไรเป็นอุปขาวเวทนาก่อนและอุปขาพฒนาก็พัฒนาไปเป็นโมหะเป็นโมหานุใสแล้วก็พัฒนาตัวไปเรื่อยๆจนเป็นอวิชชาสวัสดและตัวอวิชชาสวัสเป็นกิเลสที่ละเอยียดที่สุดพาาระอรหันต์เท่านั้นตัดได้พระอนาคามีตัดมาได้เลยนะดังนั้นอันนี้คือเวทนาทั้งสามตัวความสบาย ไม่สบายแล้วก็เฉยๆสามตัวนี้เป็นต้นต่อของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทุกตระกูลถ้าเรารู้จักเวทนาอย่างนี้ให้ความสำคัญกับเวทนาแล้วให้ชัดเจนเสมอว่าสุขทุกอย่างไรก็แก้ไขปรับไปเรื่อยๆอย่าไปแช่อย่าไปจมอย่าไปยึดไปติดอย่าไปพอใจกับมันปรับมันให้ให้ปกติแล้วมันจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้โดยง่ายนะ เพราะนั้นช่วงเช้านี้เราพูดถึงเรื่องเวทนาก็สมคดเกิวใข้อมู้เวท น, นาสาธุใน <c oughs> ความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะพัฒนากำลังของสติสัมพัญยะที่ถูกต้องให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่องให้ชัดเจน ด, ด้วยกันทุกคนทุกท่าน